ไปด้วยทําให้เกิดขึ้นในกระแสจิตของตนที่ควรดําเนินให้เกิดขึ้นในกระแสจิตของตนที่ตัานอุปมาเหมือนสําเภาทองลําใหญ่ที่มีคุณภาพอย่างสูงเนี่ยนะที่บอกว่าทําไมต้องขึ้นสําเภาทองปัญหาก็ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในมหาสมุทรหมดเลยให้สําคัญอย่างนั้นเลยคือทุกค น, นยอยู่ในในมหาสมุทรกันทั้งหมดแต่เรือที่เราใช้อยู่นั้นเป็นเรือที่คุณภาพต่ํา ไม่ใช่เรือสำเพางท้องเป็นเรือที่จะต้องโดนพายุพัดจะต้องแตกจะต้องโดนทำลายเขาใช้คำว่าหายแล้ววไงนะ่ใช้คำอย่างนั้นนะคือผุพังแน่นอนวิบัติแน่นอนแต่เราไม่ยอมสละเรือลำที่เราใช้อยู่คือมักพี่ข้อปฏิบัติของเราเนะี่ยเราไม่ยอมสละเพราะเราคิดว่าข้อปฏิบัติของเรานน้นมั่นคงไงแล้วก็ปลอดภัยไงแต่จริงๆแล้วก็จะต้องถูกปาร้ายถูกโจนต้นใช่ไหม ถูกผีเสือ้อน้ําต่างๆเนี่ยจะต้องมาทําร้ายคือจะต้องเจ็บปวดแน่นอนเรือเรืออย่างอื่นหรือจะไปอาศัยเรือของาศาสดาไหนาศาสดราไหนที่มีอยู่ในสากลพิภพเนี่ยอาศัยไปเหอะอาศัยข้อปฏิบัติไหนลื่นเพราะทุกคนลอยอยู่ในมหาสมุทรลอยรอยลอยอยู่ในมหาสมุทรอยู่แล้วในกาลมาพบรูปภพอรูปภพในกาลมาภูมิรูปภูมิเมลูปภูมิเนี่ยคือลอยกันอยู่เฟ้งฟ้างอยู่แล้วหรือว่าขึ้นเรือกันเบ็ดเสร็จแล้วทุกคนก็มีข้อปฏิบัติก็แปว่ามีเรือกันคนละ ประเภทกันอยู่แล้วเนี่ยถามว่าจะเอาโลภะนําเอาโทสะนำเอาโมหะนำใช่ไหมหรือเอาอิจฉามัจฉริยกะกุกุจักก็ว่ากันไปหรือจะเอาประเภทมหากุศลธรรมดาประเภทฐานากุศลศีนกุศลธรรมดาเนี่ยก็ได้ก็รั้วนแต่เป็นเรือในการที่จะคิดว่าตนเองนั้นจะพ้นจากมหาสมุทรนะแต่เรือลำนั้นไม่ประเสริฐเพราะไม่ใช่สเภาทองลำใหญ่ที่จะนําไปสู่อมะตะคือความที่จะพ้นจากกองทุกได้ แต่จริงๆเขาไม่รู้ <S <S เขาไม่รู้กันทีนี้ปัญหาก็คือว่าศึกษาพระารรมแค่ไหนใช่ไหมศึกษาเรือลํานี้แค่ไหนอะเพราะจริงๆแล้วที่เรือเราเราอยู่อะเราศึกษาแค่ไหนมันแปลว่ารู้ไหมรู้จากรู้จกัจกเรือของตนเองที่นั่งไหมเมื่อไม่รู้จากเรือของตนเองที่นั่งเพราะ ป, ปกปิดอะไรละปิดโมหะปิดนี่เพราะไม่รู้เนี่ยไม่มีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเมื่อไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็มีมิจฉาทิฏฐิก็อีก ก็ใช้มิตรขาทิ่ทีของตอนเองในการไปตรวจสอบเรือคิดเมื่อไรก็คือว่าต้องแบบนี้ดีที่สุดก็ถึงเป็นแบบนี้อย่างนั้นนะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าในที่สุดจริงๆเรือที่บุคคลอื่นเขาใช้กันนั้นก็เสาก็ดีใบเรือก็ดีก็จะต้องหักกระเด็นไม่ทนทานฝูงคนก็จะต้องจมน้ำเป็นพักษาเป็นอาหารของเต่าและปลาเป็นต้นนะนะแล้วมาอย่างนั้นก็คือ สัตว์ร้ายนานาชนิดในทะเลในโลกิยะมหาสมุทรนั้นเขาเรียกว่าเรือสําเภานั้นไม่อุดมสมบูรณ์ไม่สามารถที่จะฝ่าฟันฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายได้ไม่เหมือนมรคสัตว์เรือสําเภาทองลำนี้สามารถที่จะนําประชุมชนให้ข้ามพ้นทะเลโลกไปได้ท่านว่าอย่างนั้นไหมท่านอุปมายอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ศึกษาให้ดีประการที่สองท่านจึงบอกว่าเหตุวัดโถเนี่ย เทวโถนี่คือเป็นเหตุเป็นเหตุนี่แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะข้ามพ้นไปจากทะเลโลกไปได้นะเพราะมีจิตใจนั้นนะนะถามว่าถ้ า, ข, าข้ามพ้นไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้จิตใจของบุคคลนั้นก็จะต้องฝังแน่นไปย่อยมูลเหตุคือตันหาคือตันหายังข่มขีจิตใจหรือเจตสัตดานบุคคลนั้นมาเป็นนิจการนะนะคือยาวนานมาก ไม่สามปัญญาไม่สามารถที่จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาพิจารณาเห็นโทษของตัณหาได้คือปัญญาไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาเห็นโทษของตัณหาได้เลยในกลุ่มบุคคลประเภทนี้เนี่ยอุปาทานนั้นก็เข้าไปอุดอุดหนุนอะไรอุดหนุนสภาพของตัณหาเพราะอุดหนุนแล้วก็ทำให้กำลังกำลังของปัญญานั้นถดถอยลงเพราะไอ้ความที่มีตัณหาละ ย, ยังไม่พอยังให้อุปาทานก็ไป ยึดมั่นก็อีกโอ้เสียหายเลยทีนี้ที่สุดจริงๆไงทิฏฐิที่ลามกก็ทำให้ตนเองนั้นเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างมากมายว่างั้นหนึ่งส่วนมรรคสัจจานั้นเป็นมูลเหตุสามารถที่จะคมหรือย่มยีตันหาเพื่อจะออกไปจากวัฏฏะทุกได้ประการต่อมาคือนินสนิสันสันทโขก็เพราะว่าสําแดงออกถามว่าสําแดงออกสําแดงยังไงเป็นอุบายที่จะให้เห็นประจักษ์แจ้งใน มีรสถามว่าเมื่อปฏิบัติในมรรคสัจจะแล้วเนี่ยสามารถที่จะให้เห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เขาถึงบอกว่าสําแดงออกได้เป็นเหตุแล้วยังสามารถที่จะรู้ทั่วด้วยวังนั่นเป็นเหตุแล้วยังมีสภาพที่จะรู้ทั่วด้วยเพราะการเพราะว่าสามารถที่จะพบหรือจะเห็นซึ่งพระนิพพานใช่ไหมการการสําแดงออกในลักษณะที่ว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ยื่นไปเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ใช่ไหม ตัวสัมมาทิฏฐิไอตัวข้อปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นยังไม่ถูกต้องเน่ยยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถยื่นไปเอานิพพานเป็นอารมณ์เรียนรู้เรื่องพระนิพพานก็เรียนกันแบบปอกปิดตลอดเลยนะคือไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะเอานิพพานเป็นอารมณ์ได้เลยว่าไง น, น, นี่เป็นอยังไงเป็นเหตุใช่ไหมเป็นเหตุหมายความว่าก่อให้เกิดความตั้งมั่นแห่งคุณนั้นเบิกเบิฐทั้งหมดนะ วัตทุกเป็นเหตุให้เกิดวัตทุก์คือเป็นเหตุคนละเหตุไอ้อย่างหนึ่งเป็นเหตุของทุกข์อีกอย่างหนึ่งเป็นเหตุที่ให้ออกจากกองทุกข์เป็นเหตุเหมือนกันนี่สภาพของประการต่อมาคืออธิปัติยโถเป็นใหญ่เป็นใหญ่หมายความว่าเป็นใหญ่รุ่งโรจน์ด้วยการถึงความเป็นอิสระพ้นจากความเป็นทาตของปัญหาความจริงเนี่ยมรรคเนี่ยนีอันเป็นโลกิยะซึ่งสุขถูกต้องอยู่ในอารมณ์ของตัญหา ย่าไม่ล่วงพ้นของเป็นธาตุของตันหานะย่าไม่ล่วงพ้นจากธาตุของตันหาแต่ว่าถ้าอริยมรรคที่ไม่ต้องเป็นอารมณ์ของตันหาแล้วเป็นใหญ่แสดงให้เห็นบอกว่ามารคสัจจานี้เป็นใหญ่ในอันที่จะระงับกองทุกข์ทั้งปวงได้ถามว่ากองทุกข์ทั้งปวงนี่จะดับศูนย์สิ้นได้นั้นนะ่ะก็ต้องอาศัยปฏิบัติตามมารคสัจมารคสัจท่านจะอุปมาเหมือนกันกอะไรเหมือนโอสดหรือเหมือนกับมนอันวิเศษนะสําหรับที่จะระงับ ระงับพิษเหมือนกับท่อทานน้ําฝนนั้นตกลงมาเป็นอันดีแล้วก็ยังพืชข้าวกล้าให้สมบูรณ์ได้ปราศจากภัยภัยคือการอดอาหารเป็นต้นนะมักกษัตริย์จ่านี้เป็นใหญ่ที่จะระงับกองทุกขคือชาติทุกขชราทุกขมรณะทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นใหญ่แล้วก็ระงับกองทุกขเหล่านั้นได้สามารถที่จะระงับกองทุกเหล่านั้นได้าา ท, ทดี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเข้าไว้ในเรื่องของ อริยมัคคสัจจะที่บอกว่าที่จริงเนี่ยทางมีหลายทางนะทางนี่มีหลายทางทางบางอย่างเรียกว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิเป็นทางได้ไหมจำตัอวอักุศลจิตเนี่ยเป็นทางเหมือนกันเป็นทางที่จะให้ลงไปในอบายใช่ไหมหรือว่าถ้าหากว่ามัคที่ในมหากุศลธรรมดาก็เป็นสมัมมามัคธรรมดาให้ถึงสุขติพบใช่ไหมหรือเกี่ยวกับในเรื่องของทางเทา้าเขาเรียกชังขมัคหรือทางกเกวียนอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่ามรรคสัจจะอันแท้จริงก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8ดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเป็นต้นนะที่ในมรรคจิตสีนะ่เนี่ยฉะนั้นท่านจึงพระบรมศาสดาจึงบอกว่าเป็นสภาพที่ทําผู้ปฏิบัตินั้นให้เข้าถึงความดับทุกข์ทุกขานิโรธคาบีมีปฏิบัติอาริยสัจมีเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นคําว่ารู้ทั่วหมายความว่ารู้ตลอดนะรู้ตลอดสัจจะทั้งสี่ด้วยการละความหลงผิดที่เรียกว่าความไม่รู้แจ้งเห็นจริง เป็นใหญ่คือว่าเป็นใหญ่รุ่งโรดด้วยความเป็นอิสระไม่เป็นทาตของตันหาดังที่ได้กล่าวนี่เป็นอย่างนี้ถ้าพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของทุกเนี่ยนะอะไรคือทุกแท้อะไรคือเหตุแห่งทุกแทะพอจะจับประเด็นได้อย่างอะไรคือทุกแท้คันห้าเป็นทุกแทะไหมเป็นทุกแท้แท้เลย เพราะเป็นธรรมที่เกิดในภูมิทั้งสามเกิดในกายมรภูมิรูปภูมิและรูปภูมิก็คือรูปนามขันหะนี่แหละถามว่าอันนับเข้าในอัตภาพของตนของตนที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะเพราะเมื่อหลุดพ้นจากธรรมในภูมิสามจึงบอกพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้แต่เมื่อไม่พ้นจากธรรมดังที่กล่าวก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถามว่าถ้าเราจะพ้นจากกองทุกข์ก็คือพ้นจากขันหะโดยตรงคืออย่างนั้นใช่ไหมเมื่อช้าถามยอมตุ้ยถามว่า ถ้าไปพ้นจากขันห้าจะพ้นจากทุกได้ไหมโยมตุ๋ยบอกว่าพ้นไม่ได้คือตราบใดยังมีขันห้าพ้นทุกไม่ได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้พ้นจากขันห้าทีนี้คนยังรักขันห้ายังยังบูชาขันห้ายังชอบใจขันห้าเนี่ยใช่ไหมไม่ปรารถนาที่จะไปจากขันห้าแล้วพ้นจากขันนั้ใช่คนก็ไปเข้าใจแค่นั้นเอยไม แต่ก่อนเจอโยมาพี่โตสบายไปวันวันแล้วตอนนี้เป็นยังไงเริ่มรู้ใช่ไหมไม่สบายแน่ชีวิตไม่สบายแน่แน่เพราะตราบใดยังมีขันห้าถ้ามีขันห้าสบายอย่างนี้นไม่มีเราคนมีขันห้าล้วบอกว่าสบายนี่เป็นอย่างนั้นนะนะฉะนั้นเราสัตว์เพื่เพลินยินดีในสุขโดยแท้ประกอบด้วยการเกิดสัญญาในบุคคลผู้กอ่อให้เกิดสุขแก่ตนว่าเป็นปิยมิตร แต่พวกเขาไม่รู้จักสุขแท้คือไม่รู้จักพระนิพานไนงะเมื่อเขาไม่รู้จักสุขแท้นั้นเขาก็อยู่กับสุขที่มันเทียมๆนั่นแหละจึงสั่งสงกรรมเพื่อที่จะให้ตนนั้นประสบกับความสุขนะนะันย่อมเพิ่มพูนตนเองให้เข้าถึงทุกนะนะั่นเองเพราะว่าตันหานั่นเองถามว่าตันหานั้นนะ่ะเขาเลยถามบอกว่า อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์แท้ก็บอกตัณหานี่ยเราเป็นเหตุของทุกข์แท้แทตัณหานี่เป็นเหตุของทุกข์แท้แท้เลยถ้าจะถามบอกว่าอะไรคือทุกข์แท้คือขันห้าที่เป็นไปในภูมิทั้งสามอะไรคือเหตุของทุกข์แท้แท้คืบอกตัณหานี่แหละเป็นเหตุของทุกข์แท้แท้ถ้าถามว่าอะไรคือสุขแท้อะไรคือทางแห่งสุขแท้สุขแท้ก็คือความที่ไม่ไม่มีธรรมที่ทุกข์คือไม่มีรูปนามอะไม่มีขันห้านั่นแหละ โอ้โหถ้าหว่าไม่มีขันห้าคนบอกว่าเป็นสุกแท้ถ้าไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจเนี่ยคือสุกแท้ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่คือสุกแท้แท้แต่ต้องพิจารณาดีนะเจะถามบอกว่าถ้ายังมีรูปมีนามอยู่มีขันห้าอยู่มีอายะชนะอยู่สุกแท้ไม่มีทางแห่งสุกแท้คือทางกําจัดสภาพที่ก่อให้เกิดทุกข์คือตัณหาใช่ไหม ทางที่จะก่อให้สุขแ ท, แท้คือทางที่สามารถที่จะไปเพื่อดับตัณหาให้ได้นั่นแหละคือทางที่จะให้เข้าถึงความสุขแท้แทสุขอย่างแท้จริงสุขอย่างถาวรสุขอย่างชนิดที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกเมื่อวานยันบนอยู่เลยว่าโอ้ยสุขจริงๆวันนี้บนอีกแล้วไปทุกข์ไอ้ไอตรงที่บอกว่าสุขเนี่ยบอกว่าทุกข์ซะอีกแล้วบอกโอ๊ยดีจริงๆนะคนนั้นเป็นคนดีอย่างนั้นพูดดีเหลือเกินมาอีกวันนึงบอกเขาม่ปวดใจเหลือเกินคนนี้ถามทาไม มันไม่ดีจริงซะแล้วถ้าถามว่าคำตัวนี้เรบดายอย่างเงี้ยทานมามากใช่ไหมในการดูว่าของของนี้ดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันดีที่สุดไหมเคยเห็นว่าดีที่สุดไหมถามจริงดีที่สุดไหมบอกว่าโดนดีที่สุดและดีที่สุดจริงไหมทําให้สุขใจที่สุดจริงไหมไม่จริงไงไหมเราก็เห็นว่าครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าตรงนี้สุขใจที่สุดฉะนั้นท่านภาษาลีบุตรจึงบอกว่า เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรเล่าคุณเป็นต้นนะแล้วก็ตรัสบอกว่าเออขอโทษทีเหตุให้เกิดทุกข์ข้อความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คืออะไรแล้วคุณแล้วก็กล่าวในเรื่องของอรยมรรคกล่าวในเรื่องของอริยสัจสีเมื่อกล่าวอย่างนั้นเบญเสติคุณเมื่ออริยสาวกรู้ชัดทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขรู้ชัดนี่ไข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกขอย่างนี้เนี่ยให้สังเกตว่าอริยสาวกเนี่ยรู้ชัด รู้ชัดรู้ทั่วรู้ถูกต้องรู้ตรงเลยนรู้ชัดแบบประเภทถ้าเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิในที่นี้เน้นมรรคสัมสมาทิฏฐินะโดยเฉพาะอาริยมรรคที่คืออรหัตมรรคนะ่รู้ชัดสมบูรณ์แบบจริงๆว่าไงเนะี่ยเมื่อนั้นน่ะเธอจะะราคานุสัยคือละราคะได้ราคะไม่เกาะติดในกระแสจิตของตนอีกต่อไป ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินหมดบรรเทาปฏิคานุสัยก็คือละได้เหมือนกันแปลว่าบรรเทาได้เบ็ดเสร็จแล้วละได้นนัเองสับสับนั้นคือการละโทสะได้ละโทสะความไม่พอใจความพยาบาทความมาฆาาเป็นต้นกลุ่มสายนี้ละได้หมดถอนทิฏฐิคือความเห็นผิดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิทั้งกี่อย่างกี่อย่างละได้หมดคือความเห็นผิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ไม่ตรง ความเห็นที่ไม่ชัดเจนนนั้ละได้แล้วก็ละมานะอมานะนี่สําคัญมากนะไอ้คำว่าสําคัญตนเนี่ยโอ้โหผิดพลาดมามากเลยไอ้คําว่าไอ้ตันหามานะทิทธีเนี่ยคําว่าคําว่าของเราใช่ไหมเ อ, อเราเป็นนั่นเราเนี่ยนั่นเราเนี่ยคือตันหานะเราเป็นนั่นเนี่ยคือทิฐีนะนั่นอตัตตาเออเ ร, เราเป็นนั่นคือมานะเนีย นั่นอัตตาของเรานี่คือทิฏฐินะบอกกันนะสภาพเนี่ยมันจะยึดหมดแหละตรงเนี้นะเอตังมะมะเอสโสหามัสมิเอสโสมีเ อ, เอสโสมีอัตตาเนี่ยใช่ไหมเอตังมะมะน่ยคือเดิมหน้าของตัณหาทิฏฐิอเนี่ยนะแล้วมานะเรามีอยู่เนี่ยคําว่าเรามีอยู่ออกเสียได้แล้วก็ละอวิชาคือความมืดบอดความไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกเหตุให้เกิดทุก์ไม่รู้ใน ความดับทุกข์ไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ในเจระวิชานี้ได้โดยประกาละทั้งปวงยังวิชาคืออรหัตมากให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทําที่สุดแห่งกองทุกข์หมดแล้วที่สุดแห่งกองทุกข์ก็แปลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วตรงเนี้ยกิจที่ควรทําทําหมดแล้วกิจอื่นที่เป็นอย่างนี้ไม่มีเลยในปัจจุบันทีเดียวเละได้ในปัจจุบันเลยไม่ใช่ไปรอละได้ในชาตินะ ใช่ไหมบอกชาติหน้าเดี๋ยวพ้นทุกไม่ใช่เงี้ยละได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวนยีว่าเพราะไอ้คําว่าชาติสิ้นแล้วพรหมาจันทรย์อยู่จบแล้วเนี่ยยอมตุ้ยจะไปรอชาติไหนรอชาติไหนอรอชาติไหนดีให้สังเกตดูคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าดับไอ้ที่สอนเกี่ยวเรื่องว่าอริยสาวกเมื่อได้สดับมาแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าเหมือนกันคำว่ารู้ชัดว่าเนี่ยชาติสิ้นแล้วเนี่ยคือว่าทําเป็นพี่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้วนั่นเองพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมรรคพรหมจรรย์ไม่ต้องเจริญอีกต่อไปแล้วอยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอะไรกิจอะไรอ่ะทุกขสัจจากิจในการกําหนดรู้ก็กําหนดรู้แล้วสมุทัยสัจจากิจที่ควรละก็ละแล้วนิโรธาสัจจากิจที่ควรทําให้แจ้งก็ทําแล้วนี่มรคสัจจากิจที่ควรเจริญก็บริบูรณ์แล้วเขาเรียกกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีกิจในการที่จะมา กำหนดรู้ทุกข์ละสมูทยัยทํานี้โลดเทแจ้งจเจริญอริยมกักนั้นไม่มีแล้วเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าตรัสอยู่อย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็หลุดพน้นใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยถ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณหรือด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอาวุโสอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคลนมาสู่พระสัตธรรม นี้นี่จบในเรื่องของสัจจะนะจบสัจจะถ้าให้ไปดูอีกอย่างเพื่อให้สมบูรณ์หน่อยก็ไปดูในหน้า5้ารดไปดูคถาพลนาสัจวาระอัตค ถ, ถาจารย์ดันขยายก็ไว้ถ้าดูต้องดูสองส่วนก็ว่างั้นเลภิกษุเหล่านั้นคันพากันชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธ์แล้วก็ได้ถามปัญหาที่สูงขึ้นไปกับพระเถระพระเถระก็ได้แก้ปัญหาคือตอปัญหาในเอง ด้วยทํานองแม้อย่างอื่นแก่ภิกษุเหล่านั้นก็แปลว่าในทุกๆวาระนอกจากวาระนี้ก็ในนี้เหมือนกันก็หมายความว่าท่านภาษาริบุตรก็ตอบปัญหาที่พระภิกษุเหล่านั้นถามเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะขยายบรรยายพระเถระแก้แล้วไม่พลาดพิงคําแบบนี้แต่ด้วยการแสดงด้วยเหตุวาระนี้พระเถระแสดงทุกขสัจจะว่าทุกมาจากคําว่าทุก ข, ขันสะประชานาติเนะีย รู้ชัดนั่นเองรู้ชัดในทุกขเป็นตน้นรู้ชัดในทุกขสมูทยัยรู้ชัดในทุกคานิโรธรู้ชัดคะนิโรธคาวินีปฏิปทาอริยสัจว่าไงเนะี่ยคำพิสดาร น, นั้นท่านแสดงไว้ในสัจจะนิเทศในคัมภีวิสุทธิมาร์กว่าไงเนะี่ยผู้ที่ศึกษาค้นคว้าไปก็จะรู้ชัดรู้ตามคัมภีนั้นที่เอามาขยายเนะี่ยเชื่อว่าเราเข้าใจในเรื่องสัจจะพอสมควรนี่นะนี่คือในเรื่องของสัจจะ อต่อไปขึ้นในเรื่องของชราชราวาระคือว่าระที่ว่าด้วยชราคือความแก่นี่ตามไปดูความแก่กันหน่อยเมื่อวันก่อนว่าความแก่มาหน่อยเนยีที่จริงความแก่นี้ไม่ค่อยอยากจะปารบเท่าไร ล, ลอกว่างั้นนะน่ะปารบความแก่ทีไรและจิตมันเศร้าหมองทีนี้เปิดกลับมาเนี่ยไปดูใน ต่อไปภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมพากันชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระเถรพระสารีบุตรดีแล้วใต้เท้าดีแล้วครับใต้เท้าเนี่ยดังนี้แล้วกาเปลียนถามปัญหาสูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้าครับยังมีอีกหรือไม่เหตุปริยายเนี่ยเหตุหรือปริยายอย่างอื่นแม้อย่างอื่นที่จะให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่ครรครแวนมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรยังตอบว่ายังมีอยู่อาวุโสหรือยังมีอยู่คุณศัพ์ว่าอาวุโสกับคำว่าคุณนี่สั์เดียวกันนะผู้มีอายุบางทีท่านแปลอย่างนั้นแล้วก็ได้กล่าวคํานี้ว่าคุณนะเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดชราและมรณะสองวาระนะไม่ใช่ชรามวาระอย่างเดียวนะชรามรณะวาระวาร ะ, วาระที่ว่าด้วย ความแก่และความตายลองไปดูว่าความแก่ความตายเขานับกันอย่างไรเนี่ยอริยาสาวกรู้ชัดชลาและมรณะเหตุเกิดชลาและมรณะความดับแห่งชลาและมรณ ะ, ะ, ร, ณะรู้ชัดข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับแห่งชราและมรณะแม้เหตุเพียงเท่านี้แหละคุณ อริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่ครรครแวนมาสู่พระสัจธรรมนี้ถามว่าชราและมรณะคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชาาและมรณะคืออะไรนี่เป็นการถามนะเมื่อกี้ตอบแบบย่อตอนนี้ขยาย แา่ว่าความแก่แห่งสัตว์เหล่านั้นในหมู่สัตว์นั้นๆความขําค่าฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุความง่อมแห่งอินทรีย์มีตาเป็นต้นทั้งหลายของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นในหมู่สัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราคือความแก่นี้คือความแก่ฉะนั้นถ้าพูดถึงความแก่เนี่ย <S <S ให้ดูตรงนี้ว่านี้เป็นอย่างนี้นะว่าไงแต่ความแก่ดูตรงที่บอกว่า ความแก่แห่งสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนะคือให้พิจารณาดูนะว่าความแก่ถ้ายังไม่เห็นในหมูสัตว์นั้นๆน่ะความค่ำค่าฟันหักผมงอกเห็นไงเนี่ยนะแล้วก็ยังมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุอายุเริ่มหมดไปหมดไปเนี่ยนะความง่อมแห่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นเนี่ยนะ ความแก่งอมของเหล่านี้ของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราคือความแก่ว่างั้นนะพอดูอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเห็นอะไรเปลี่ยนชักรู้แล้วว่าเอาไม่อยู่ถามว่าอวัยวะที่จะแก่ได้แปลว่าที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยล่ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมอง ดีสเลตหนองมันค้นน้ำตาปเปียวมันพวกเนี้ยนะโดยสรุปก็คือ32นี่แก่ได้หมดดวงนั้นเลยถามว่าถ้าจะรักษาจะรักษายัางไงอาการ32ต่อด้วยอนุพยันชนะอีก80ดสวงั้ น, นไอที่เล็ ก, ล ก, ลกน้อยๆอีกเอาไม่อยู่ที่เราปกปิดได้ก็เพราะว่ามันปกปิดส่วนใหญ่ๆไว้บ้างไอส่วนเล็กๆน้อยๆ น, นี่ไม่อยู่ยอมตัวคิดว่าคนอายุสักประมาณเอ่อสิสิบห้ขวบเนี่ย ส5ห้าปีเนี่ยแก่ยังจะนับว่าแก่ดิออามีมีชรายางใครว่ามีริอะลักษณะอย่างนี้คือแก่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนียดู ด, ดูต่อไปความเคลื่อนที่การย้ายที่จากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆความแตกทำลายความสูญหายการม้วยหมอนมาจจะคำว่ามัดจุมรนังนะ เกิดชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับอันนี้คือเหตุเหตุของชรามรณะนะมาจากชาตินี่นะอริยะอัตตางกิกรามักนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชราและมรณะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิคุณเมื่อไรแดเมื่อไรแดไรแล อริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดข้อปริบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้เมื่อนั้นเธอละจราราคานุสัยบรรเทาอะไรเอาปฏิคานุสักได้โดยประการและทั้งปวงยังวิชาคืออาหาธรรมะให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งกองทุกขในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคุณอริยสาวก ชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่ครอนแคลนมาสู่พระสัต ธ, ธรรมนี้ออไปดูห้าร้อยแปดสิบสามในข้อหนึ่งร้อยสิบเจ็ดในข้อหนะนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะห้าร้อยแปดสิบสามเนี่ยบทว่าเตเอชีวิริไฉนะในชาราและมรณะในวาระนี้นะเตสังเตอสังนี้เป็นการแสดงทั่วไป ถึงสัตว์จํานวนมากมายไว้โดยสังเขตเมื่อพูดอยู่ตลอดทั้งวันอย่างนี้ว่าความแก่ของพธธระเทวทัตอันใดความแก่ของพธธระสมทัตอันใดดังนี้สัตว์ทั้งหลายจะมีการถึงความควบคุมไว้จะไม่ควบคุมไปถึงสัตว์ทั้งหมดคือปัญหาคือว่าความแก่น่ยถ้าจะเอามาพันรนาน่ะเอาสัตว์มาเรียงร้อยถามความแก่นี่ยโหมีหมดเลยใช่ไหมลองมาตั้งสั ต, ตว์ทีละตัวทีละตัวทีละตัวทีละตัวทีละขันทีละขันทีละขันเนี่ แล้วก็มาไล่ดูที่ว่ามีไหมความแก่แก่อะไรบ้างเลยเนะึ้อว่าถามว่าจะมากมายตานใดเอานะีถามว่าถ้ามีขันเกิดขึ้นมาถ้ามีชาติเกิดขึ้นมาก็ไปต้องแก่แล้วด้วยเหตุด้วยสองบทนี้เตสังเตสังสัตตัวไหนจะไม่ถูกครอบงาำเป็นไม่มีมีไหมมีไหมว่าจับยุงมาหนึ่งตัวก็ต้องมีแก่ใช่ไหมสัตว์มาในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะเอามาดูเถอะว่าคุมไปหมดทุกตัวสัตว์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่า เป็นการแสดงทั่วไปถึงสัตว์จำนวนมากไว้โดยสังเขปที่ท่านแสดงไว้นี่แสดงโดยสังเขปไม่ได้พรารณาถึงความแก่อีกมากมายเลยเนะ้อเหมกันเนอะโอ้เราพิจารณาถึงความแก่นี่มันเห็นนะนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เห็นโทษของความแก่ทำไมไม่รู้ชัดของความแก่เริ่มรู้ไหมว่า จริงๆคือไม่ได้พิจารณาด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเหม็นถูกต้องหรือความเหม็นที่รู้ชัดจริงๆคือเราไม่เคยเอามาแยกแยะว่าเลยว่าเราแก่แล้วแก่แค่ไหนอะไรเงี้ยนีตรวจสอบตอนเองอยู่ตลอดเวลาว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นความหลงลืมความแก่งอมของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นเนี่ยความที่ตนเองจะต้องเลอะเ ล, ะเ ล, ะเ ล, อเลือนอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมพอไม่ได้ตรวจสอบเลยไม่ได้เห็นว่าตนเองนั้น แก่แล้วยอมตัวยอมรับตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านที่ยอมรับว่าแก่นยอมรับตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆตอนอายุสามสิบกว่าตอนนั้นคิดว่าตนเองแก่หรือยังตอนนั้นก็ยังใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าแก่แบบมันยังปกใช่ไหมมันยังไม่เปิดเผยให้เห็นชัด ป, ปกปิดสําหรับเรานะแต่หลายๆคนถ้าผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าบอกสามสิบนี่เขาเทียบว่าอายุยุคนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าบอกอายุยุคนี้เนี่ยประมาณ ตามเกณฑ์เขา7น่แต่เราไม่ถึงแม่เนี่ยแปลว่าเราแย่แล้วถ้าบอก75ห้าเนี่ยหลายคนใจเสียเล ย, เย75้ากถ้าเราจะต้องเดินไม่ได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ยังไห ว, วยังบททั้งสองตุมหิตุมเอตัมหิตัมหีนี่เป็นการแสดงทั่วไปในหมู่สัตว์จำนวนมากมายด้วยสา ม, มารถแห่งการเกิดในคตินิรยะคติคือการเกิดเป็นสัตว์นรกเปติคติ นี่คืออะไรการเกิดเป็นเปรตนิรัฉานคติคือเดรัฉานแล้วก็อะไรกันมนุษยคติการเกิดเป็นมนุษย์เทวคติการเกิดเป็นเทวดาและพรหมใช่ไหมนี่คติเนี่ยถามว่าคติทุกคติที่ไปเกิดความแก่และความตายปรากฏหมดเลยใช่ไหมย้ำตัวเทวดามีแก่ไหมความแก่ของเทวดามีไหมความเศร้าหมองของอินทรีย์มีแต่สังเกตยากที่สุดตรงนี้ สังเกตยากที่สุดเท้าสักกะก็ดีสุรพรหมเทพบุตรเป็นต้นก็ดีสุพรหมเทพบุตรก็เป็นต้นก็ดีสังเกตตนเองสังเกตวิมานสังเกตอาภรณ์ที่ใสใช่ไหมสังเกตวันนะของตอนเองสีผิวของตอนเองเนี่ยเศร้าหมองนี่เป็นอย่างนี้พอในกลุ่มของเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขาจะอุย้ยก็เพลิดเพลินกันมากเยมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่รู้สึกจะเป็นนางสุชาดาเป็น มาเหยียดสีของเท้าสักการเนี่ยตายจุดติดแล้วไปเกิดเปน็นนกระยางสัตว์เดรัจฉานเลยนะี่อุ้ยทรมานมาก500ปีอายุนกระยางตนนั้นในยุคนั้นอายุ500โอ้ยเท้าสักกาตอนนั้นตกใจเลยวรฬยานเปที่รังโดดเอ่งเป็นตายเกิดเปน็นนกต้องลงไปหาเลยไปบอกทนไว้ให้รักษาศีล น, นะนกระยางตัว น, นั้นลึกได้โอ้ยมื่าลายสามีจะมาช่วยถ้าเรามีบัณฑิตอยู่ใกล้ใก้ก็พอจะนั่นหวังอยู่ไนหะ เมื่อไรสามีจะมาช่วยเหล่าเทพทิดาทั้งหลายอะไรต่างๆก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะนางตายไปเกิดเป็นไหนเป็นอะไรใช่ไหมอยังคู่แข่งกันนวนมากอ่ะคู่แข่งกันนวนมากอ่ะนั่นไปนั่นมาพอรู้ตามเท้าส ก, กัดไปพอไปเห็นกันก็พาไปลอกนางก็อายใช่ไหมเป็นนกกระยางก็ต้องอายต้องทนรักษาศีลห้าร้อยปีนรักษาศีลห้าไปเจอปลาที่มันดิ้นมันนั่นก็ไม่กินไม่กิน ต้องอยู่ด้วยการหาปลาตายกินนะนะต้องกินเนื้อปลาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์รฉ า, านนู้ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีหรอกสัญญาดีไปดีขนาดนั้นทนาะ่ทกรรมที่สุดจริงก็ไปทํากรรมเสียหายมากมีต้องไปทนลำบากทนลาบาก500ปีนะหปีในการที่ทนจนครั้งตัวตายสามีลงไปทดลองเป็นปลานอนแช่อยู่อยนะ่างเี้ย เท้าส ก, กัดนางไปทำท่าจะกินพอไปจิกจิกจิกพอดิ้นดิ น, ดนหน่อยไม่กินสามีบอกโอ้โหนี่แก่กล้าแล้วแก่กล้าแล้วแต่อย่างเราก็บอกเนีมันอยากทำท่าบอกไม่มีเจตนาเสยอย่างมันเรียบร้อยใช่ไหมเราเคยทกำกรรมมาเยอะนี่เป็นอย่างนี้ ในบทว่าสติกาเยเป็นการแสดงสรุปถึงสัตว์ที่ได้แสดงไว้โดยสาธารณานิเทศแสดงโดยสาธารณาทั่วๆวไปไม่จำกัดนะว่าสัตว์ทุกมูเรามีชลาและมรณะมีความแก่และความตายบทว่าชลามีคาอธิบายว่าชลามาจากคำว่าชลาชิรนตาเป็นการแสดงถึงสภาวธรรม คือเป็นการแสดงถึงตัวฉลาดสภาวะธรรมความแก่ของสภาวะธรรมตอนนี้ยอมตื่นต้องตามให้ดีนะในหน้าเนี้นนนต้องตามให้ดีเพราะจะได้รู้ว่าสภาวะธรรมที่แก่เนี่ยแก่อย่างไงส่วนบทว่าชีรณชฉ ล, ล, ลตาเนี่ยฉลาตาเป็นการแสดงถึงอาการอาการเนี่ยอาการที่ขําค่า Official อาการที่แก่งอ่อมอาการที่โค้งงอเป็นต้นเนี่ยนั่นคืออาการบทนี้เป็นการแสดงถึงอาการนะ ส่วนในบทคําว่าชร า, ามันจะคําว่าชาลาชิรนาตาชิรณตานั้นเป็นการแสดงถึงตัวสภาวะธรรมสภาพของรูปธรรมนามธรรมที่เขาแก่นะทีนี้ในบททั้งหลายมีขันทิจังเป็นต้นเป็นการแสดงถึงหน้าที่ของชร า, าหน้าที่ของความแก่กิจของความแก่ใช่ไหมว่าความแก่เนี่ยเขาทําหน้าที่ยังไงกิจของเขาเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ย ในเวลาผ่านการเวลาไปยศโดยองสังเกตที่เกี่ยวกับการหน้าที่เนี่ยสองบทหลังเป็นการแสดงถึงหน้าที่ตามปกติเพราะว่าชารานี้ท่านภาษาลิบุตรแสดงไว้โดยสภาวะโดยบทว่าชาราเพราะฉะนั้นบทนี้จึงเป็นการแสดงถึงสภาวะของชารานั้นด้วยบทว่าชิรณตานี้พระเถระแสดงไว้โดยอาการเพราะฉะนั้นบทนี้จึงเป็นการแสดงถึงอาการของชารลาใช่ไหม ด้วยบทว่าคันทิจังนี้พระเถระแสดงด้วยกิจคือการกระทําภาวะแห่งฟันและเล็บที่หักเป็นชินช้นชิ้นสภาพของฟันและเล็บที่หักเป็นชิน้นชิ้นในพ่อร่วงการผ่านเวลาไปนั้นถามว่ามันมันมีอยู่เพื่อจะหลุดจริงๆนะีคือบทคำเนี่ยบทคําว่าคัตทิจังเป็นต้นเนี่ยพระสารีบุตรนะเออท่านแสดงแสดงไว้ว่าการเวลาผ่านไปแล้วเล็บและฟันก็ต้องหลุดผมแล้วก็จะต้องหลุดเป็นต้นน่ย ด้วยบทว่าปาลิศยังนั้นพระเถระแสดงถึงกิจคือการทําภาวะคือผมเป็นต้นงอกด้วยบทว่าลลิศตาจะเนี่ยพระเถระแสดงแม้โดยกิจคือการทําให้เนื้อหนังเหี่ยวย่นด้วยเหตุนั้นสับทั้งสามีขัดติดจังเป็นต้นอันนี้จึงเป็นสั์แสดงถึงกิจของชลานั้นโดยการล่วงการผ่านเวลาไปนะ สับสามอย่างพระเถระแสดงถึงชลาที่ปรากฏคือเป็นสิ่งที่ปรากฏด้วยการเห็นความพิการเหล่านั้นได้เขาเรียกชลาที่เปิดเผยท่านยกอุปมาเหมือนว่าทางเดินของน้ำปรากฏให้เห็นได้เพราะเพราะหญ้าไม้เป็นต้นน่ะคือในขณะที่หญ้าและไม้เป็นต้นลอยลอยมาบนผิวน้ำใช่ไหมบางทีมันมองไม่เห็นว่าน้ำนี้ไหลหรือไม่ไหลนะ แต่ถ้าเห็นญ้าเห็นไหลต่างๆลอยมาด้วยเรารู้เลยว่า น, นี่ไหลใช่ไหมอาการของชร า, าก็เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นทางเดินของชราเนี่ยไม่เห็นอาการเป็นไปของชร า, าเราไม่รู้ว่ชาชรามันกำลังเคลื่อนไหลชราแลา้วหรือมรณะมันเพราะชรามันเป็นตัวไหลใช่ไหมพออุบัติเนี่ยยอมตัวอุบัติได้ขันเกิดขึ้นมาแล้ว ตัวชลาก็จะเหมือนกันน้ำแต่ถ้าคนมองไม่ดีอย่างกลุ่มบางคนไม่ได้พิจารณาทั้งหลายก็ไม่เห็นว่าน้ำนั้นไหลนะแท้จริงมันค่อยๆไหลไหมไหลไปทุกขณะทุกขณะนั่นแหละแต่ถ้ามีหญ้าวางอยู่ข้างบนมีไม้วางอยู่ข้างบนมีวัสดุสิ่งของอะไรต่างๆลอยอยู่บนไม้นั้นลอยอยู่บนน้านั้นมันก็จะเห็นนะ่ะธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นด้วยอวัยวะทั้งหลายมีฟันเป็นต้นนะนะ ความพิกลพิการต่างๆของอวัยวะเป็นต้นนะนะก็บอกว่าสามารถที่จะมีจะเห็นได้คนที่ลืมตาดูแล้วก็จับต้องได้หมายความว่าถ้าหากมีปัญญาเห็นจริงๆมีการพิจารณาจริงๆแล้วสามารถจับต้องชะลาเห็นได้เห็นได้ไดชัดก็คือว่าพอฟันหักเนะี่ยเห็นได้ใช่ไหมผมงอกเห็นได้จับต้องได้ด้วยอคําว่าจับต้องแล้วไม่ได้ไปถูกชะลาจริงๆนะ แต่ว่ารู้ไงเอามาดูเอามาตรวจสอบเอามาพิจารณาได้เ ต, ตนเองหลงลืมนะความแก่ ง, งอมโค้งงอของอินทรีย์ของขันทั้งหลายมีนะเนยเยอสมัยเด็กๆบางทีนั่งยืนอะไรนะมันตรงหมดเลยนะยังไม่งอนนะหนาข้าวหนเข้ามันค่อยๆงอลงงอลงให้สังเกตดูลองดูสังเกตดูคนจีนเนี่ยหลังงอมีเยอะไหมมีเยอะใช่ไหมคนไทยเยอะกลุ่มคนไทยทั้งหลายก็เยอะไอพวกประเภทแบตของหนักอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ย ลาแก่เท่าลงอายุยังไม่มากเลยเนี่ยอยู่อย่างนี้หักงออย่างจริงจริงนะ ท, งทั้งทั้งที่ถามว่าอายุเท่าไรบอกหกสิบหกสิบเนี่ยชนิดที่หน้าลงไปอย่างนี้นะเอเอช่วงหลังนี่งอไปอย่างเงี้ยงอหักอย่างไม้แล้วอย่างไม้งอแล้วงอเยอะมากเลยจนถึงว่าต้องใช้ไม้เท้าค้ำแล้วหน้าก็เห็นขึ้นอย่างเงี้ยเธอสังเกตไหมถามว่ากรรมอะไรทําให้ชรลาก็ปรากฏตันหน้านหนึ่ง เคยแอบทำกรรมด้อมดอมมองมองไปลักไปขโมยไปอะไรต่างก็มาเยอะอ่างนกลุ่มพวกนี้เจตนาที่ไปทำกรรมทำชั่วทำอะไรต่างๆไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอเกิดมาแล้วก็ได้สรีละโค้งงอไม่งามไม่สง่าเกิดมาแล้วก็เป็นไปสารพัดใช่ไหมนี่เป็นยังไง บางคนบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเวลาจะเดินผ่านพระทำงอๆหรือทำกรรมอย่างนั้นหลังนี้งอเรืบอกไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าแสดงว่าเจตนาในการจะอ่อนน้อมจะเป็นผู้มีศักดินาสูงไปที่ไหนคนยอมรับคนนบไบ่ากราบาไหว้ไอ้ตรงนี้ก็พิจารณาให้ถูกจะได้ทำกรรมถูกเนี่ยบางคนแข็งจะพึ่งไมเนี่ยเสียหายจะอ่อนน้อมก็อ่อนนิดเดียวนี่ยให้บางคนเวลาไปอยู่ตอนหน้า คนแรงต่างแสดงอาการเกรงใจที่เกรงใจก็เกรงใจจริงๆเนีจิตใจก็น้อมรับฟังอะไรต่างๆน้อมรับฟังไม่ใช่ไปแสดงทิฏฐิแข็งกล้าต่อหน้าคนนู้นต่อหน้อนอันนี้เขเรียกว่าทํากรรมไม่ควรอันนี้เขาเรียกว่าสามารถที่จะรู้ได้เป็นธรรมชาติที่ปรากฏจับต้องได้ทางเดินของชรลานั้นสามารถ แห่งความพิการทั้งหลายมีฟันหักเป็นต้นแห่งชลาชลาจึงเป็นธรรมชาติรู้ได้ด้วยจักษุหามิได้ต้องรู้ได้ด้วยปัญญานะ ไ, ไ, ไม่ใช่รู้ได้ด้วยตาด้วยหูนะถามงี้ตาสามารถมองเห็นชลาได้ไหมบางคนบอกให้เห็นได้แล้วตัวหเห็นได้ไหเห็นความแก่ผ่านทั้งตาได้ไหมใช้ตานี่มองเห็นความแก่ได้ไหมตาเห็นสีใช่ไห ตานีเห็นสีแต่อะไรไปรู้ไปรู้ว่านี่ชะาปรากฏแล้วนะนี่อีกไม่นานแล้วหนอร่างกายนี้จักท่วมทับซึ่งแผ่นดินจะลงนอนทับซึ่งแผ่นดินต่อไปก็เป็นผู้มีวิญญาณไปปัสแจกแล้วเนี่ยอาการที่จะไปรู้ไปเจาะลึกอย่างนี้ได้อะไรรู้ปัญญาใช่ไหมตาเห็นสีตาไม่ได้ไปเข้าใจว่าเห็นผมนะไปเห็นสีเท่านั้นเอง ไปเห็นสีฉะนั้นสภาพของปัญญาใช่ไหมที่สามารถที่จะเข้าไปรู้ชลาคือความแก่งอมการฟันหักหนังเหยียวย่นเป็นต้นเพราะตัวชลาเป็นตัวบีบเป็นตัวลอ้อเหมือนลอ้อเหมือนล้อที่มันหมุนหมุนหมุนหมุนไปเลยแล้วมันจะตกทะเลอยู่แล้วมันจะตกทะเลอยู่แล้วนั้นถ้าก็มีใครถามบอกว่าไอ้ลาเห็นได้ด้วยตาใช่ไหมต้องตอบเขาบอกว่าไงแล้วตัวต้องไปตอบใหม่นะบอลาไม่ได้เห็นด้วยตานะ าพูดกันเลยตรงนี้จริงๆนะมองปุ๊บแป๊บเดียวเออใายๆเห็นชลาได้ด้วยตาแต่ชลานั้นเห็นได้ด้วยทางจยเห็นได้ด้วยปัญญาคนไม่มีปัญญาเห็นมองชลาไม่ถูกห็อกชลาที่เห็นก็ไม่ใช่ชลาที่จะเป็นกล่องทุกใช่ไหม คนที่ไม่มีปัญญาเห็นชราไม่ใช่เห็นชราที่จะไปเห็นชราทุกขเนะีไม่ใช่เห็นมไม่เห็นไม่เห็นชราที่ทุกเนะี่ยเได้จะเห็นชราแล้วรังเกียจไปแนละ้ว่องอื่นไม่ใช่ปัญญาเห็นแต่จริงๆชลารู้ทางใจนะีไม่ใช้ลู่ทางกาในบทเหล่านั้นอายุโนสังหาณิอินทรีานิ ปริปาโกพระเถระได้แสดงชลาตามปกติเพราะความสิ้นไปแห่งอายุเป็นสิ่งที่รู้ได้จากความง่อมของอินทรีย์มีตาเป็นต้นโดยการก้าวร่วงการเวลาเท่านั้นเหตุนั้นเป็ น, ปนผู้ฉลาดยิ่งถามว่าความแก่งง่อมขอ ง, C, งข อ, ง อ, ง อ, งองินทรีย์ความแก่ง่อมของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายเนี่ยของใจเนี่ยความแก่ง่อมของตามองตรงไหนการที่ตาั้นเสื่อมใช่ไหมยนตัวมองว่าพระลูกชายเนี่ย ตาที่บวกสายตาสั้นใช่ไหมนี่ใช่ชาลามั้ยใช่ไม่ใช่นี่เห็นไหมปรากฏไหมอย่างเงี้ยปรากฏสํานวนว่าจับได้ถูกต้องได้สํานวนนะจับได้ถูกต้องแต่รู้ได้ด้วยปัญญาถ้ารู้ได้ด้วยปัญญาจะรู้แล้วเข้าใจว่าชรานีปรากฏขนาดนี้แล้วก็แปลว่าเขาเจะใกล้เข้าไปสู่ถึงการดับนะขนาดต้องใช้แว่นมาช่วยพยุงแล้วต้องใช้เหตุปัจจัยต่างๆมาช่วยพยุงขนาดนี้แล้ว สมัยก่อนจะดูหนังสือไม่ต้องใช้แว่นไม่ต้องใช้อะไรเลยนะปัจจุบันยังต้องใช้แว่นใช้อะไรต่างๆมาประกอบมันนั่น น, นั้นแปลว่าชราถ้างั้นปวดตามองไม่เห็นถ้างั้น น, นี่ยังไม่เข้าใจชลาไหมเพราะถ้าปัญญาไม่เกิดเราไม่เห็นว่าชราที่ทุกข์ขาความแก่ก็เป็นทุกข์คือไม่เห็นทุกข์ว่ามันมันเบียดเบียนมันบีบคั้นยังไงคือจะไม่เห็นยังไม่ว่าทุกข์เนี่ยมันเบียดเบียนจริงๆในตัวชราเนี่ย มันนำมาซึ่งความทุกข์ความทรมานอีกเยอะเหมือนกันะนะเนะี่ยทํายังไงได้ถ้ายังมีตาตาก็ชฉาทีนี้ยังตุยมาพิจารณาอย่างนี้ทําไมยมตุยไม่ใส่แวน่นทําไมไม่ใส่แวน่นแท้ที่จริงอ่ะข้างหนึ่งใช่ไหมยาวข้างหนึ่งสั้นเออตวิเคยบอกอาจารย์ว่าบอกข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นอย่างนั้นคือว่าจริงๆชราหมดเลวตาชราหมดเลวแต่ว่ายังอาศัยเพียนใบยามถึงบอกต่อไปต้องเลย เดี๋ยวก็ต้องหาอะไรมาช่วยที่สุดจริงๆจะต้องหาอย่างนี้เขาเรียกว่าชราปลาการดจะโยงความพิษกับเลื่มปรากฏรดใช่ไหมต้องใส่แว่นใช่ไหมจริงๆอย่างอย่างชั้นเองก็ต้องแต่มันใส่แล้วไม่มไม่ไม่ดูไม่เชื่อท่าหรือพยายามไม่ใส่เพราะจริงๆเวลาจะดูหนัหนกๆก็ต้องเอามาสวมมาอะไรต่างๆเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ว่ากันบ้างบางครั้งอ่านหนังสือโดดข้ามตัวบ้างอะไรบ้างอย่างนึงก็เออทุกวันนี้พยายามนะ ฟังคำสอนศึกษาอ่านคําสอนของผูทธเจ้าพิจารณาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคิดในใจว่าเราจะมีตาดูอีกไม่นานเลยแค่นั้นเพราะชรลามันมาป่านนี้แล้วยังมามัวมัวเมาอยู่ทําไมใช่ไหมก็พิจารณาอย่างเนี้ยฉนันชรลานะันะนะนะถ้าพูดถึงในเรื่องของเป็นเหตุที่บอกว่าเกี่ยวในเรื่องของคําว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นในการที่ก้าวล่วงการเวลาร่วงการผ่านไว้มาอะไรแบนั้น การล่วงการผ่านวัยมามากเท่าไรชะลานั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาตามติดและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยว่างั้นเถอะชะลายิ่งมากยิ่งมากก็แปลว่าใกล้มรณะก็ไปทุกทีบางทีไอ้ไอ้มรณะของตามรณะของหูมรณะของจมูกของลิ้นของกายนี่มันกินไปอยากไม่ก็อยากจะพอกันนี่ใช่ไหมบางคนนะตามรณะก่อนก็แปลว่ามันติ้นสุดกรรมลงก่อนกรรมให้หมดแล้วหมดซะก่อนเี้ยก็อยู่ในโลกมืดต่อไป โอหมรณะก่อนตายแล้วก่อนนึงแต่ที่สุดจริงๆอินทรีเหล่านั้นก็เข้าถึงการแตกดับเพราะไอตัวมรณะมันรอดักรออยู่ใช่ไหมเขาเรียกเหมือนกับดักถาวรนึงไอตัวมรณะนี่คือกับดักถาวรนะขอขยับนิดหนึ่งก็งไม่ได้เยวฟิสบอกไปต่อลองบอกอีกสองนาทีขยับให้เลยสองนาทีเขาบอกไม่ให้สองนาทียังไม่ให้นะไม่ไม่ต้องกล่าวไปใหย่ถึงขอสองชั่วโมง บางคนบอกจะตายในชั่วโมงเนี้ไอชรามีขอบเขตเดินหน้าไปถึงแค่ชั่วโมงเนแล้วบอกยืดวิลยาหน่อยขอให้ชลายาวๆกว่านี้หน่อยองินได้ยังปาถนาไหมขอชลาอย่างนี้อย่าได้ปรากฏกับเราเลยหรือว่าขอให้ชรานี้ยืดอายุความชรานานๆหน่อยอาเงินโดยจำนวนท่านบอกว่า หวังไม่ได้ขอไม่ได้แค่จะขอแก่อีกวันนึงก็ยังไม่ยอมเลยกวไม่มีเลยนะบอกว่าขอต่อรองชราหน่อยกันไม่ต้องพูดถึงมรณะใช่ไหมเหมือนการเกิดเหมือนกันเนะ่พบอกยังไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยตั้งสติให้ดีก่อนแล้วเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นแม่กันเลือกแม่ก็ไม่ได้เลือกพ่อก็ไม่ได้เลือกตระกูลก็ไม่ได้บัดโทมเรื่องขนาดนั้นเลยไปอย่างไม่เคยรู้เรื่องยังยอมรับที่จะไปกัน เราเนี่เป็นนักเสี่ยงกันสมบูรณ์แบบจริงๆกล้ามากนะเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยไอ้ตันหาเนี่ยกล้าแต่พวดอีกจำนวนหนึ่งตาบอดคนตาบอดนี่ไม่กลัวอะไรจริงๆเนี่ยเขาบอกตาบอดเขาให้วิ่งเนี่ยกลัวเหยียบน้ำไม่รู้จะกลัวไงตาตาบอดทำไมกลัวไม่รู้บอดจะกาเนิดน้าเป็นไงก็ไม่รู้เขาว่าผีผีไงก็ไม่รู้เขาว่าอะไรไม่รู้ทั้งนั้นไปเลยเพื่อกาทั้งนั้นนึกอะไรได้ไปเลยเพื่อตัวอไรไปงินนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนาการ อาการหลังนี้พึงทราบเป็นการแสดงการตามปกติของชะลาบรรดาอายุและอินทรีย์ทั้งสองเหล่านั้นเพราะเหตุที่อายุถึงความแก่ความเสื่อมมากขึ้นฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวชะลาไว้โดยใกล้ต่อผลถามว่าชะลาใกล้ต่อผลของชะลาคือใกล้ต่อความตายนะว่าด้วยความเสื่อมแห่งอายุอายุมากนั่นเองแต่เมื่อเหตุที่เวลา ย, ยังหนุ่มอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นนั้นยังสดใสใช่ไหมสามารถที่จะรองรับ อารมณ์มีรูปเป็นต้นได้แม้ที่ละเอียดโดยง่ายได้ถามว่าชราเนี่ยนะในขณะที่ยังไม่ปรากฏหรือในขณะที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้นเนี่ยสามารถที่ตาของเราก็สามารถที่จะเห็นรูปเห็นอะไรต่างๆเล็กๆละเอียดได้แต่ในที่สุดจริงๆก็จะมองแบบหยาบๆจะว่าจะมองแบบหยาบๆนี่จะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าตาคุณมัวไปแก่งอมคุณมัวไม่สดใสอารมณ์ของตนก็จะหยาบ ไม่สามารถที่จะรับได้ฉะนั้นชรลานั้นพระเถระจึงกล่าวด้วยความเกิดใกล้ต่อผลแปลว่าใกล้ต่อความตายเมื่อชะาตัวเป็นตัวบีบเนะีเป็นตัวบีบให้ใกล้ต่อความตายเข้ามาทุกๆขณะในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ไปดูเกี่ยวในเรื่องของชรลามีอยู่สองอย่างนะความชะลาสองอย่างนี้นะในหน้าห้า้แปดนะีชะลาทั้งหมดที่แสดงมาแล้วอย่างนี้มีสองอย่างคือปากระตายชรลาความแก่ที่ปรากฏหนึ่ง ปติชัญนาชลาคือความแก่ที่ปกปิดนั่นหนึ่งในจํานวนชราสองอย่างนั้นความแก่ในรูปธรรมทั้งหลายชื่อว่าปากตชลาเพราะแสดงความวิการวิการมีมีความหักของฟันเป็นต้นนั่นเองในอวัยอวัยวะทั้งหลายมีฟันนะส่วนอรูปธรรมนั้นเป็นปฏิชัญนาชลาคือชราที่ไม่ปรากฏเพราะไม่แสดงความวิการให้เห็นเออพิจารณาว่าระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ย รูปธรรมในเวลาปรากฏในเรื่องของชลาปรากฏและเห็นเห็นชัดแต่ถ้านามมาทำแก่นี่มองไมเงเ่เห็นอ่ะขณะจิตหนึ่งอุปาทัคขณะคือขณะเกิดนะถีติขณะขณะตั้งชลาอย่างหนึ่งชลาอย่างหนึ่งวิถีจิตเน่ยที่เขียนกันไวๆน้ๆนะพังคัดขณะขณะดับตายไปแล้ว เนี่ยถ้าชลาอย่างเงี้ยโอ้โหขนาดตั้งอย่างเงี้ยเขาเรียกชลานําไปสู่ตายโดยแท้เห็นไม่ได้เลยนามาชลาเนี่ยนามาชลานามบารณะเห็นยากอย่างขนาดขนีกามบรณะเนี่ยเออเห็นไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นไม่ได้เลยเอานามาชลาไกลๆยังเห็นไม่ได้เลยแล้วบอกว่าเออความจํำเลือเล่อนวัชล า, อาพอจะพอจะเดาๆกันได้อย่างงั้นน่ย ความจำเลอะเรือนหลงหลงลืมลืมจริงรูปประทามเห็นมันเป็นเป็นปกปิดถ้าเปิดเผยก็เห็นได้ชัดรูปธรรมทั้งหลายผมขนเละฟันเป็นต้นนั่นเองเชราสองอย่างอีกอย่างหนึ่งเนะี้ยอวิจิชราเนี่ยเขาเรียกว่าแก่ไม่มีร่องรอยให้เห็นโหแก่แบบเนี้ยแก่ไม่เห็นร่องไม่เห็นรอยเลยเห็นไหมแกสวิจิชเชรานี่คือแก่แบบมีร่องรอยให้เห็นชราสองอย่างนั้นนะ่ะวะแก้วมณีเนี่ยเพชรเงินจินดา ต่างๆทั้งหลายดวงอาทิตย์เป็นต้นเหล่านี้เป็นอะไรความแก่ของเขาไม่เห็นร่องรอยเราคิดว่าเอ๊ะมีเราอยู่บ้างไหมบางคนบางคเลยสวิจิตชราเนี่ยเอ๊ะอวิจิตชราเนี่ยอวิจิตชราแก่แบบไม่มีร่องรอยเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่คนคนนั้นที่แก่แบบไม่มีร่องรอยตรวจดูจ ร, จริงๆนต้องดูทุกส่วนใช่ไหมถ้าบอกไม่มีร่องรอยต้องดูทุกส่วนไม่ดูคร่าวๆเอาผมมาดูทีละเส้นละเส้นแล้วเรียกเลือกดูดูให้ละเอียดดจริงๆตรวจสอบให้ละเอียดเลย บอกนับไม่ทั่วเลยความแก่บนสรีระเห็นทุกจุดนะเห็นจนได้ถ้ามองข้างนอกไปเห็นผ่าดูตั บ, ตบไตไตพุงก็ดูว่าแก่ชรลาขนาดไหนเห็นหมดเลยนะโดยสรุปคือแก่แล้วก็ชะลาจริงๆแต่ถ้าหากเข้าแก้วมณีเจเพชรมินจินดาทั้งหลายที่มีค่ามากๆเนี่ยแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยดูยังไงก็ไม่เห็นว่าแก่สักทีดูกันมาหลายชั่วคนแล้วเนี่ยยังไม่เห็นความแก่ของ แต่ในปัจจุบันบงคลก็บอกคํานวณกันแล้วนะคำนวณบอกว่าเออเดี๋ยวก็จะแสงจะหมดเท่านั้นตอนนี้ฉลาเนี่ยนะที่เป็นอวีจิวะความแตกของสีเป็นต้นในระหว่างรู้ได้ยากเหมือนความแตกของสีเป็นต้นในระหว่างของสัตว์ที่มีปรานในวัยมันทันทะทะกะคือสิบ ป, ปีมันททศกะคําว่ามันทศกะคือค้นวัยสิ ป, ปีเนี่ยนี่ก็แก่เห็นยาก และก็เหมือนกับแตกต่างแห่งสีเป็นต้นในระหว่างของสิ่งที่ไม่มีลมปานมีดอกไม้และใบไม้เป็นต้นพวกนี้ก็เห็นได้แต่ชาลาในสิ่งนอกเนี้ชื่อว่าสวิจิชาลาเพราะความแก่แตกต่างแห่งสีเป็นต้นในระหว่างเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ง่ายพึงรู้ได้ง่ายนะฉะนั้นในชาลาทั้งสองอย่างโดยสรุปคือท่านต้องการขยายความแก่ให้ทราบว่าแก่ปรากฏก็มี